สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบาทนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตรครั้งที่ห้าสิบห้าครับเรื่องงานเลี้ยงของปัญญาพจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่เก้าข้อที่หนึ่งถึงข้อที่หกครับสุภาษิตบทที่เก้าข้อที่หนึ่งถึงข้อที่หกโปรดฟังพจนะของพระเจ้าปัญญาได้สร้างเรือนของเธอแล้วเธอได้ตั้งเสาเจ็ดต้นปัญญาได้ค่าสัตว์ของเธอได้ผสมเล้าอมุ่นของเธอ ได้จัดโต๊ะของเธอแล้วด้วยและได้ส่งสาวใช้ของเธอออกไปส่งเสียงเรียกจากที่สูงในเมืองว่าผู้ใดที่เป็นคนเขาให้เขาหันเข้ามาที่นี่เธอพูดกับผู้ที่ไร้สามันสำนึกว่ามาเถิดมารับประทานขนมปังของเราและดื่มเหล้าอางุ่นที่เราได้ผสมไว้จงทิ้งความเขาเสียและดำรงชีวิตอยู่ดำเนินในทางของความรอบรู้นั้นเถิด พี่น้องครับบทเจเนของพระเจ้าในเช้าวันนี้ได้เห็นผมอยากจะสรุปในบทที่9ให้พี่น้องฟังคร่าวๆก่อนนะครับในบทที่9นั้นก็พูดถึงมีผู้หญิง2คนซึ่งเป็นคู่แข่งกันครับผู้หญิงคนแรกก็คือคุณเจ้าหญิงปัญญาผู้หญิงคนที่สองก็คือานางหญิงแพทย์สยาหญิงแต่ละคนนั้นก็จัดงานเลี้ยงของตนและเชิญแขกมาแขกนั้นก็เป็นกลุ่มเดียวกันครับ กลุ่มที่เรียกว่าคนโง่เขาและคนที่ไร้สามัญสำนึกในพระมุีนั้นเปรียบสติปัญญาเหมือนกับเจ้าหญิงที่มีความรับผิดชอบในขณะที่หญิงแพทย์ยานั้นเป็นเหมือนคนโง่ที่เธอเลี้ยงอาหารคนอื่นด้วยสิ่งที่เธอขโมยมาเราเห็นว่าสิ่งแรกที่เจ้าหญิงแห่งปัญญาเรียกร้องให้ใช้ก็คือ คนจะต้องมีความคิดจิตใจครับใช้ความคิ ด, ดจิตใจนะครับในขณะที่หญิงแพศยาเรียกร้องให้ใช้ความรู้สึกยอนกับระหว่างความคิดและความรู้สึกนี่เป็นจุดที่ผู้หญิงทั้งสองคนในพระธรรมสุภาษิตบทที่เก้านี้เชือ้อเชิญ Access ส, สำคัญครับช่องทางเข้าสองสำคัญมากถ้าเราใช้ ความรู้สึกเข้ามันจะไปกระตุกกระตุน้นต่อมที่เรียกว่าความโง่ในขณะที่สติปัญญาใช้ความคิดเป็นช่องทางมันจะไปกระตุกความคิดให้เกิดสติปัญญาขึ้นมาได้ทีนะครับเป็นเรื่องง่ายที่เราจะตื่นเต้น <c oughs> ไปกับความรู้สึกและความพึงพอใจนะครับที่ได้จากความโง่เขาและสิ่งนั้นเป็นสิ่งชั่วคราวครับ ในขณะที่ความสุขใจที่เราได้จากสติปัญญานั้นจะเป็นที่สิ่งที่ถาวรยั่งยืนเป็นนิสิตประเด็นที่น่าสนใจนะครับอยู่ที่งานเลี้ยงที่บรรยายในพระกัมพีตอนนี้พี่น้องครับหลายในท่านก็คงคิดถึงคำสอนของพระเยซูคริสต์ในพระธรรมลูกาบทที่สิบสี่เรื่องงานเลี้ยงเหมือนกันครับนะเป็นคำอุปมาของพระเยซูในพระธรรมลูกาบทที่สิบสี่ข้อสิบห้า จนถึงข้อที่24ผมจะให้พี่น้องฟังครับลูกาบทที่14ข้อ15ถึงข้อ24ฝ่ายคนหนึ่งที่ร่วมโต๊ะด้วยกันเมื่อได้จริงคำว่า น, นั้นจึงทูลพระองค์ว่าผู้ที่จะรับประทานอาหารในแผ่นดินของพระเจ้าก็เป็นสุขพระองค์ตรัสกับเขาว่ายังมีคนหนึ่งได้ทำการเลี้ยงใหญ่และได้เชิญคนเป็นอันมากเมื่อถึงเวลาเลี้ยงแล้ว เขาก็ใช้บ่าวของตนไปบอกคนทั้งหลายกับการเชิญไว้แล้วว่าเชิญมาเถิดเพราะสิ่งสารพัดเตรียมไว้พร้อมแล้วบรรดาคนเหล่านั้นก็พากันขอตัวคนแรกว่าข้าพเจ้าได้ซื้อนาไว้และจะต้องไปดูนานั้นข้าพเจ้าขอตัวเถิดอีกคนหนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ซื้อโคไวห้าคู่และจะต้องไปลองดูโคนั้นข้าพเจ้าขอตัวเถิดอีกคนหนึ่งกล่าวว่าเขาเจ้าเพิ่งแต่งงานใหม่เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าไปไม่ได้ ข้าพเจ้าขอตัวเถิดบ่าวคนนั้นจึงกลับมาเล่าเนื้อความให้หนายฟังนายก็โกรธจึงสั่งบ่า ว, ว่าจงออกไปโดยเร็วตามถนนใหญ่จอกน้อยในเมืองผาคนจนคนพิการคนตาบอดคนขยกเข้ามาที่นี่แล้วบ่าวจึงบอกว่านายเจ้าค่ะข้าพเจ้าได้กระทำตามที่ท่านสั่งแล้วแล้วยังมีที่ว่างอยู่นายจึงสั่งเบานั้นว่าจงออกไปตามทางใหญ่ชอกน้อย แล่เร่งเรั้ว เ, เขาให้เข้ามาเพื่อเรือนของเราจะได้เต็มเพราะเราบอกทั้งหลายว่าในพวกคนทั้งหลายที่รับเชิญไว้นั้นไม่มีจากคนหนึ่งที่จะได้ลิ้มเครื่องของเราเลยพี่น้องครับโพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ถ้าเราเห็นนะครับว่าคําเชื้อเชิญนะครับของนายซึ่งเปรียบเทียบว่าก็คือพระเจ้านั่นเองนะครับพระเจ้าเชื้อเชิญมาในกลุ่มเป้าหมายที่พระเจ้าได้ตั้งไว้แต่น่าเสียดายครับ กลุ่มเป้าหมายก็คือพวกอิสราเอลนั้นได้ปฏิเสธพระเยซูเช่นเดียวกันครับเมื่อเรากลับมาที่พระธรรมสุภาษต์นี้เราเห็นว่ากลุ่มเป้าหมายที่เจ้าหญิงปัญญาได้เชื่อเชิญไว้ก็คือคนโง่เขาและคนไร้สามัญสำนึกพี่น้องครับในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเราจะต้องฝึกที่จะได้ยินเสียงของพระเจ้านะครับในการที่เชื่อเชิญจากพระเจ้า เราจะพบว่าในการเลี้ยงที่เยซูสอนเรารู้ว่าหลายคนในทีแรกนั้นตั้งใจไปนะครับอาจจะตั้งใจไปร่วมงานแต่ในที่สุดก็ไม่ได้ไปครับถามว่าทาไมไม่ได้ไปครับเพราะกิจกรรมอื่นๆที่ดูเหมือนสำคัญกว่านั้นหยุดรั้งยั้งเขาไว้ทําให้เขาไม่สามารถไปได้พี่น้องครับในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้านะครับเราต้องอย่าปล่อยให้สิ่งใด มาเป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าการค้นหาสติปัญญาจากพระเจ้าและที่จะให้เรารับการเชื้อเชิญของพระเจ้าและไปด้วยเข้าไปเลี้ยงนะครับเข้าไปร่วมในงานเลี้ยงนี่คือสิ่งที่สําคัญมากเพราะการเชื้อเชิญจากพระเจ้านั้นและการเชื้อเชิญของพระเจ้านั้นทําให้เราจะมีความชื่นบานมีความสุขใจและได้รับพระพรยิ่งใหญ่ที่มาจากพระเจ้าเป็นงานเลี้ยงที่สําคัญอย่างยิ่งยวดครับโปรดอย่าพลาดงานเรียนเช่นนี้ พี่น้องครับเจ้าหญิงแห่งปัญญาได้เชื้อเชิญคนเข่าและคนไร้สารมันสำนึกกลุ่มเป้าหมายนี้คนเขา่าแปลว่าคนที่ไร้สาระไร้เดียงสาถูกหลอกได้ไง่ายนะครับคนที่ไร้สารมันสำนึกก็คือคนที่โง่และต้องการความฉลาดต้องการความรู้มาประดับตัวเองประดับกลายของตนพี่น้องครับปัญญาได้สร้างเรือนของเธอหมายถึงวังครับ หมายถึงพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มที่มีเสาเจ็ดต้นซึ่งมีความหมายว่าเจ็ดต้นเลขเจ็ดนั้นเป็นความสมบูรณ์ครับเยรูซาเล็มหรือวังหรือพระวิหารนะครับเป็นความหมายว่าเป็นความสมบูรณ์แบบที่สุดที่พระเจ้านะครับดีไซน์ไว้สร้างขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์และลูกของพระองค์ได้เข้ามาพักพิงมาพึ่งพานะครับมาทําการคืนดีกันและเพื่อมานำมาสการพระองค์ นี่คือสิ่งที่สำคัญครับเสาเจ็ดตนนี้หมายถึงวิหารนะครับของพระเจ้าหรือบ้านของพระเจ้านั่นเองนิเวศของพระเจ้าที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์ได้มาอาธิษฐานได้มาพึ่งพาได้มาพักพิงได้มาคืนดีและได้มานำสการพระเจ้าเพราะฉะนั้นเจ้าหญิงปัญญาพัมพีบอกว่าได้ฆ่าสัตว์ของเธอผสมเล่าองุ่นจัดโต๊ะของเธอว่าพร้อมแล้ว และส่งสาวใช้ออกมาเชื้อเชิญส่งเสียงเรียกจากที่สูงคือที่สาธารณะเพื่อให้ทุกคนได้ยินเราเช่นเดียวกันครับเราคริสเตียนเราต้องทูลขออธิษฐานให้เรามีความสามารถในการที่จะได้ยินเสียงของพระเจ้าเหมือนกับเพลงที่ว่าได้ยินเสียงพระเจ้าได้ยินเสียงของพระเจ้าพี่น้องคงจําได้นะครับได้ยินเสียงของพระเจ้าที่พระเจ้าเชื้อเชิญเราจะให้เราทําบางสิ่งบางอย่างให้เราต้องมีบางสิ่งบางอย่าง และให้เราต้องเป็นคนบางคนที่พระเจ้าต้องการนะครับขอให้เราได้ยินเสียงของพระองค์ที่เชื้อเชิญเราให้ทำสิ่งที่พระองค์พอพระทัยให้มีในสิ่งที่พระองค์อยากให้มีและให้เป็นบางคนที่พระองค์อยากให้เป็นอามน